ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติหนึ่งเจดสลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพชีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอกล่าวพนาคุณความตายให้อุบาสกฟังจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า